เรื่องเรือนไฟหกเรื่อ ง, องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอบหน้าท้องอยู่ในเรือนไฟน้าอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศจหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงซาตพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะทำน้าอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้า ภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัดวงเล็บเรื่องที่ยีสิสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนอบหน้าท้องอยู่ในเรือนไฟน้ําอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัดสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพร่องตรัสถามว่า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 จะทำน้ำอสิจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่23สมัยนั้นภิกษรุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสิจิให้เคลื่อนนวดหลังให้พระอุปชาในเรือนไฟน้ำอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพร่องตรัสถามว่า